านายของพวกเธอน่ะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมเท่าที่อยู่ด้วยกันมาคือเป็นตะคริวแขนขากระดิกไม่ได้แล้วก็มืนหัวหายใจไม่ออกจนหมดสติอย่างเงี้ยสีพรานมองหน้ากันเองไปมาสายตาของแต่ละคนแสดงความวิตกกังวลเห็นได้ชัดบุญคําเป็นคนตอบมาว่าเออไม่เคยนะแมมเจ้านายของบุญคำํำยังมากที่สุด ก็แค่หนาวจักสั่นธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละไออาการที่เห็นนี่ยังก็มีอะไรมาบีบคอหายใจไม่ออกยังงี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอะ่ะ ม, มันก็แปลกนะหมอเบงครางเอานิ้วเกาหลังใบหูเต็มไปด้วยความชงน์งุนงงในประวัติของเขาที่เรารู้ก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนนี่ถือว่าเป็นอาการใหม่ของเขาทีเดียว เกี่ยวกับเส้นเลือดตีบเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจนกว่าตัวยาจะออกฤทิ์คริสวุฒด้วยทั้งสองคนลงไปตรงที่เขาอาบน้าแล้วสังเกตไหมว่าเขาแช่น้ำอยู่นานแค่ไหนก็ค่อนข้างจะนานทีเดียวแหละแต่ถ้าใจดีก็ถามคริสดีกว่าเพราะผมขึ้นมาก่อนเชิด ว, วุฒหน้าซี ตอบเสียงอุบอิบพยักหน้าไปทางคริสติน่าใช่ก็แช่น้ำอย่างสบายใจอยู่นานทีเดียวแล้วยังแถมตากลมเย็นอีกพักใหญ่ก่อนจะเช็ดตัวแห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่คริสติน่าบอกมาอย่างกระสับกระส่ายไออาการอิสคิเมียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่เบลอเมริกันอาวุโสถามขึ้นสอดมือลอดผ้าห่มเข้าเข้าไป ขาของคนป่วยคลำดูเบนชี้ไปที่สมองของตนเองเอนไซม์อิตตี้ในสมองนี่ค่ะความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจความวิตกกังวลความตึงเครียดทางสมองและอารมณ์ทำให้เส้นเลือดมันเกร็งขึ้นได้ทำให้เลือดเดินไม่สะดวกโดยเฉพาะที่จะขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมอง ตลอดเวลานับตั้งแต่รับพินเข้ามารับหน้าที่นำทางให้กับเราเขาเต็มไปได้วยความวิตกกังวลความตึงเครียดมาทุกระยะอารมณ์ก็ไม่ปกติมีความรู้สึกที่ฝืนต่อต้านแล้วก็เครียดเหลือเกินมีความปวดร้าวซึมเศร้าอยู่ในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกด้วยโดยที่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวหรือพยายามสะกดกั้นฝืนไว้ยิ่งมาประกอบกับสุขภาพที่ยังไม่แข็งแรงดีนะ เพราะอาการจับสันเมื่อกลางวันเพราะสางค่ายก็ไปอาบน้ำเขาอีกมันก็เป็นเหตุให้เกิดอาการอิสกิเมียขึ้นมาได้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอดูทีเดียวแลวเราก็คาดไม่ถึงมาก่อนทุกคนอึ้งไปชั่วขณะในคำบอกเล่าวของหมอเบลเชิดวุฒิคลางเบาๆ ว, ว่าโถพี่แล้วก็เงียบไปนั่งหน้าเศร้าตาซึมคริสติน่าเงียบขึ้ มือจับแขนอีกข้างหนึ่งของรบพินไวสแตนลีย์เม้มปากรีตาลงส่วนนายคิดเอามือเคาะกระโหลกบนอะไร อ, อ, อุบอิบอุบอิบอยู่ในลำคอคนเป็นโรคโฮมซิกคิดถึงบ้านคิดถึงผู้หญิงคนที่ตัวเองรักเฮ้ยถึงไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เวนนั้นมันจะดีชื่อของเขาออกมาแต่เราก็เพิ่งจะมั่นแน่ใจ่เดี๋ยวนี้เองว่ามันเลือกให้เราผิดซะแล้ว ก็มีความสามารถก็จริงแต่เรื่องภายในหัวใจของเขาเองมันอาจทําให้เขาตายซะในครั้งนี้ก็ได้นี่เแบรบ์เครื่องวชิชัณฑ์ของเรามีมาพอเพียงกอาการของเขาไหมนี่หัวหน้าคณะประสิทบถามหัวหน้าคะายาที่จะรักษาอะพอมีอยู่หรอกแต่เราขาดเครื่องมือตรวจสอบอีกหลายชนิดเพราะคิดไม่ถึงว่าการเดินทางครั้งนี้ของเรา จะต้องมีโรงพยาบาลเคลื่อนที่มาด้วยก็นึกว่าแค่เจ็บป่วยกันธรรมดาหรือมีการผ่าตัดที่มันใหญ่จนเกินไปนักเราก็พอทำกันได้อาจารย์ก็อย่าเพิ่งคิดอะไรให้มากไปก่อนเลยค่ะดูอาการก็ก่อนก็าอาจจะค่อยยังชั่วขึ้นภายในสองสามชั่วโมงนี้ก็ได้แต่ก็ต้องให้นอนพักรักษาตัวแน่ๆช้าหรือเร็วก็สุดแต่สภาพแล้วค่ะแล้วไอ้นั่นอ คิดบุ้ยปากไปทางถุงน้ำเกลือที่หยดเต๊งเต๊งผ่านท่อพลาสติกเล็กๆเข้าเส้นเลือดคนเจ็บผู้นอนสงบอยู่เหมือนคนตายไปแล้วครึ่งตัวเราก็จำเป็นจะต้องช่วยด้วยน้ำเกลือด้วยหลักเพราะเขากำลังอ่อนแออิดรยมากอาหารก็ยังไม่ได้กินเลยถุงนั่นกว่าจะหมดก็อยู่ในราวเก้าถึงสิบชั่วโมงละแลวตอนนี้ปลอดภยัยยังเบ เิดวุฒิตั้งคำถามมาอีกถ้าในทักษณะแพทก็พอจะพ้นวิกฤตไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วละ่ะสำคัญที่สุดก็คือต้องให้เขาพักและถ้าจำเป็นเราต้องหยุดการเดินทางเพื่อให้เขาฟื้นตัวสักวันสองวันหลังจากนั้นก็ดูอาการต่อไปอีกว่าอาการชนิดนี้นะ่ะมันจะเกิดขึ้นทีบ่อยแค่ไหนถ้าบ่อยชายคนนี้ก็พิการละจิตใจเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหน ร่างกายก็ค้านเป็นตรงข้ามอยู่ดีแหละสเตลีหันไปหาหรืออะไรกะทีอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาทางหมอเบลเบลมีอะไรที่เราจะขอให้หน่วยเหนือส่งมาช่วยเหลือเพิ่มเติมบ้างไหมเกี่ยวกับยาและเครื่องเวชภัณฑ์สมมุติว่าถ้าเราติดต่อวิทยุกับเขาได้อีกครั้งเบลหัวเราะจืดจืดมันจะเป็นเรื่องโกลาหลยุ่งยากมากทีเดียวค่ะ ถ้าเรารายงานเราก็ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรานนำทางของเราและที่สําคัญที่สุดก็คือฉันคิดว่าพวกนั้นหาพิกัดของเราไม่ถูกแล้วละ่ะนับตั้งแต่เราออกจากคูเสือรองมาสําหรับฉันนะ่ะบอกตามตรงนะถ้าติดต่อกับหน่วยเหนือได้ก็อยากใจเขาส่งฮอมารับพวกเราทั้งหมดกลับเพื่อมันรู้แล้วรู้รอดในเมื่อมักคุเทศนําทางมีอาการแบบนี้ขึ้นมาใช่แล้วเราจะเอาเข้าไปฆ่าด้วย ไม่เจตานาใะปเปล่าเปล่าคิดบอกมาตะกี้น่ะถูกแล้วค่ะรพินน่ะเป็นโรคโฮมซิกแล้วก็เลฟซิกจิตใจของเขาสำคัญที่สุดถ้ามันพิการสัอย่างเดียวร่างกายก็พลอยพิการไปด้วยเราพยายามทำให้เขามีความสุขในระหว่างทางบ้างพอสมควรแต่เขาก็ไม่ยอมเลยเคร่งเครียดหมกมุ่นเหลือเกินั้างั้นก็ถามจริงๆเถอะทั้งสองคน แต่ลีมองไปทางสองสาวผู้ร่วมคณะอันแท้ที่จริงก็คือผู้เชี่ยวชาญในทางแพทย์อีกโสดหนึ่งนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆอุปัตวาวเหตุที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของรพินในครั้งนี้พอจะช่วยกันเอาไว้อยู่ไหมเบนนิงคริสตินาบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะ่ะมันก็ประกอบด้วยตัวเขาเองด้วยล่ะคะ่ะ เขาจะต้องทําจิตใจให้สบายกว่านี้และยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเราในด้านเยียวยาแต่สําหรับเราทั้งสองนั้ไม่ต้องห่วงสุดฝีมือเลยค่ะไข้ย่างอื่นเรารักษาได้แต่ไข้ใจนี่ถ้าคนคนไข้ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่มีหมอคนไหนในโลกจะช่วยได้หรอกค่ะใช่คะ่ะอาจารย์คริสพูดถูกแล้วเราจะต้องรักษาทางจิตใจของคนด้วยไม่ใช่เฉพาะทางร่างกายอย่างเดียว บอกตรงๆนะคะถ้าตอนนี้มีคู่รักของเขามาอยู่ที่นี่คนเดียวเท่านั้นใช้คนนี้จะเป็นปกติโดยเร็วที่สุดและจะนําทางไปได้ทุกขนทุกแห่งชนิดสุดล่าป่าหิมะพานทีเดียวค่ะหมอเบลพยักหน้าลงนิดนึงกล่าวเสริมว่าคริสพู้ถูกแล้วล่ะคะ่ะอาจารย์เราจะต้องรักษาทางจิตใจของเขาด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะทางร่างกายอย่างเดียวนะคะบอกตรงๆ ถ้าตอนนี้มีคู่รักของเข้ามาอยู่ที่นี่คนเดียวเท่านั้นแหละชายคนนี้จะเป็นปกติโดยเร็วที่สุดและจะนาทางไปได้ทุกห้นทุกแห่งชนิดสุดลา่าป่าหิมพานทีเดียวหัวหน้าคณะโบกมือนี่ น, นี่อย่าพูดอะไรให้มันไรสาระมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะพวกเรามาช่วยกันก็แล้วกันเบยักไหลนิดนึงหัวเราะแค่นแค่ช่วยอะไรคะเนี่ย ในเมื่อเขาไม่ยอมให้เราช่วยเลยโดยเฉพาะฉันกับคริสน่ะนี่พูดกันตามตรงเลยนะคะถ้าการเดินทางครั้งนี้ไม่มีผู้หญิงมาด้วยโดยมีแต่ผู้ชายล้วนๆฉันว่าอาการของเขาอาจจะดีกว่านี้นะนี่หมายความว่ายังไงคุณพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยเชิดบุษถามอย่างงุนงงอ่ะก็หมายความว่าการมีผู้หญิงร่วมคณะมาด้วยในเมื่อเขาเองก็เป็นผู้ชาย มันเป็นการบีบคั้นทรมานใจเขามากทําให้เขายิ่งคิดถึงคู่รักมากขึ้นไปอีกไอ้ครั้งจะคบหาสนิทสนมกับเราสองคนสมองโง่ของเขาก็คอยบีบบังคับตนเองไว้ถือว่าเป็นบาปเป็นเรื่องผิดเป็นการผิดสัจธรที่ให้ไว้กับคู่รักหรือให้ไว้กับตัวเองก็ตามทีครับฉันรู้ว่าเขามีความต้องการแต่ก็ต้องฝืนแล้วก็อดกลั้นแล้วคิดดูดิมันจะทรมานสักแค่ไหน เอาละนี่ก็พูดกันตรงๆเลยในฐานะจิตแพทย์นะฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องวินิจฉัยเรื่องชนิดนี้ออกมาให้ใครฟังแต่ผลมันก็ได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็พูดกันตามตรงดีกว่าปิดบังไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไอ้คนหิวแต่ไม่ได้กินขณะที่มองเห็นอาหารล่อตาอยู่นะคนเศร้ารันทดแต่ไม่มีใครเป็นเพื่อนปลุกปลอบใจมันจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างคิดดูเองก็แล้วกัน นี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่อิสเบนพูดอย่างแพทย์แท้จริงคริสแล้วเธอคิดยังไงหัวหน้าคณะหันไปถามแม่ผมทองหลอนถอนใจแผ่วเบาฉันเรียนในครั้งแรกมาในทางเวชกรรมและสัญยกรรมนะคะก็จริงละคะแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รักษาใครแต่เบลเขาเป็น ไซไครติสด้วยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะลงความเห็นให้ข้อวินิจฉัยได้ดีที่สุดถึงตัวอาจารย์เองก็เป็นนักจิตวิทยาอยู่แล้วนี่อืมไอ้เสือนี่ก็มีความเชื่อมั่นอยู่ได้ยังไงนะว่าคู่รักของเขายังมีความซื่อสัตย์มั่นคงอยู่กับเขาอีกจนกระตั้งไม่คิดจะปล่อยอารมณ์กระเพศตรงข้ามคนไหนมั่งเลยเอางี้ดีกว่าฉันมีอะไรติดตัวมาด้วย มันจะช่วยประกอบในการรักษาเขาขึ้นมาได้บ้างไหมว่าแล้วนายคิดก็หันไปรื้อถุงยามส่วนตัวจใจเดียวก็สงอะไรชนิดนึงไปให้หมอดูมันบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษหล่อนยังไม่ได้เปิดแต่ถามมาว่าอะไรเนี่ยก็ artificial pussy ทำด้วยยางอย่างดีใกล้เคียงกับเนื้อมนุษย์ที่สุดทำงานด้วยแบตเตอรี่แห้ง เปิดสวิตมีการสั่นสะเทือนแล้วก็ดูดได้ด้วยถึงแม้จะเป็นแค่ฐานหรือแป้นของมันอย่างเดียวก็ตามถ้าเขาไม่กล้าใช้ของจริงก็ให้เขาใช้อนี่แก้ขัดไปก่อนก็ได้นี่อย่างน้อยมันก็พอจะทำให้เขาคลี่คลายปลดเปลื้งลงได้เหมือนกันเบลอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วคว้างใส่หน้าคิดโชคดีที่นายนั่นตะครุบรับไว้ได้ก่อนที่จะกระทบหน้าด เก็บเพื่อทำประโยชน์ของตัวเองคนดึกนยำสถานการณ์แบบนี้ยังคิดจะทะลึง่งนีกลอนพรวดออกมาด้วยภาษาอเมริกันแปลได้ว่าดังนี้คีตหน้ามุยเงียบไปเก็บสมบัติล้ำค่าของตนไว้โชคดีที่เบนไม่ทันจะเปิดกล่องออกมาให้พวกครานพื้นเมืองหรือพวกลูกหาเห็นและไม่มีใครในหมู่คณะสนใจในของเล่นในยามเกิดอารมณ์เปรี้ยวของนายคีตอีก ขอทราบในฐานะแพทย์นะเธอคิดว่าเธอจะรักษาเขายังไงต่อไปหลังจากเนี้ด ร, รสแตนลีย์ถามสองสาวก็ตลอดคืนนี้เห็นจะต้องเปลี่ยนเวรกันดูแลเขาอย่างใกล้ชิดที่สุดลวคะอาจารย์ถ้าเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไรเราก็จะให้ยาประเภท trans t r a n s l i แก่เขาคุมระบบประสาทให้สลึมสลือไปเรื่อยๆเขาจะได้พักผ่อนเต็มที่ แล้เมื่อค่อยยังชั่วขึ้นมาแล้วก็เห็นจะต้องรักษาแบบไซโคเทอร์บีด้วยโดยช่วยกันทั้งหมดทุกคนนี่แหละพูดคุยหรือทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเรามีความสบายใจมีความสุขขึ้นอาการอิสกิเมียก็จะทุเลาไปได้ถ้าเครียดหรือกังวลไม่สบายใจทุกใจเมื่อไหร่มันก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอแหละตลอดเวลามาเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไป เรามีจะ ต, ตั้งเงื่อนไขเป็นเชิงบีบบังคับเขากลายๆอยู่เสมอรวมทั้งทําให้เขาเป็นทุกข์เป็นกังวลไปทุกสิ่งทุกอย่างหัวหน้าคณะพยักหน้าคริสผู้นั่งก้มหน้านิ่งอยู่นานสะบัดผมขึ้นบุตรหล่อนเรียกเบาๆนายทหารหนุ่มคลานเข้ามาใกล้ตอนนี้คุณมาช่วยบีบหนวดแขนแล้วก็ฝ่ามือข้างนี้เข้าไว้นะ เริ่มอุ่นแล้วก็อาการเกรงลดลงแล้วบอกให้พวกพรานสี่คนของเขาเช่วยนวดตามแขนขาด้วยตะคริวกําลังจะคลายตัวออกและตาเส้นเลือดขยายกระแสะโลหิตขึ้นไปรอเลี้ยงสมองเมื่อไร <c oughs> เขาจะค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาเองอ่ะอะแล้วคุณจะไปไหนอเนี่ยฉันก็มีธุระที่จะพูดการจารย์หน่อยหล่อนบอกเรียบๆนายทหารหนุ่มพยักหน้า กระโดดเข้ามานั่งแทนที่หล่อนทันทีและร้องบอกบุกเวกไปทางพรานพื้นเมืองทั้งสี่ของระพินที่นั่งวงล้อมอยู่ให้ช่วยกันเข้ามาขยำบีบนวดตามแขนขาคนป่วยทั้งสี่พลูเข้ามาอย่างเต็มใจที่สุดเสียงบนคําบุญออกมาตามประสาะแกว้ว่านายกูถูกเติมน้ํามันอีกแล้วเวรกรรมแท้จริ ง, รงนี่แต่นายหญิงอยู่สักคนเดียว กคงไม่สุดหนักถึงข น, นาดนี้คราวนี้ถึงขั้นมีกระบาดทานดีเดียวเว้ยนายน่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยยังมากก็แค่จับสันเท่านั้นนี่เล่นเอาตาเลือกเลยเจ้าประคุณเอย้ยเจา้าปลาเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าทานอ๋อหนักกับเทวีด้วยช่วยนายไอ้ข้าไม่รอดด้วยเถอะกลับไปหนองน้าแห้งจะสักการะสังเวยเดือดหัวหมู บายสีแพ้แกะบัวควายไม่อั้นทีเดียวไอ้คำยอมบัวได้อีกเจ็ดวันด้วยเอา้ายายนายเป็นอะไรไปเลยพรุ่งนี้คอยหายเหมือนเดิมจะจะบอกคุณเลยนวดไปขยำไปแกก็พรำไปน้ำตาของพรานเต้าคู่ใจคลอทำไมแกจะไม่รู้ว่าครั้งนี้อาการของเจ้านายแกหนักกว่าทุกครั้งที่แกเคยเห็น ต่อให้เสือกำลังไล่ขบระพินโดยมองเห็นชัดๆอยู่กับตาแต่ก็ยังไม่หวั่นใจเท่าครั้งนี้เลยจันเกิดเซยและพวกลูกหาบทั้งหลายหน้าจ้อยกันไปหมดทุกคนรู้สภาพการดีเกินกว่าที่จะต้องอธิบายมากนักคริสลุกขึ้นเดินตรงไปที่ด็อเตอร์สแตนลีกล่าวขึ้น อาจารย์คะเรียกเบาๆดวงตาของหลอนคมเฉียบอีกฝ่ายเลิกคิ้วเว้อ <Where? S 1> ขอเวลานอกห้านาทีค่ะแล้วหลอนก็เดินนำหน้าไปสเตลลีลุกขึ้นเดินตามไปอย่างสงบทั้งสองรับมูหินออกมาห่างคณะทั้งหมดพอประมาณซึ่งหลอนหยุดรออยู่ตรงนั้นก่อนแล้วพอหัวหน้าคณะมาถึงก็หันกลับมาช้า อาจะเบนอาจจะไม่บอกความจริงกับอาจารย์อาการของนายพรันของเราครั้งนี้ค่อนข้างหนักน่ากลัวมากถ้าเลือดไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองถ้าสมองขาดออกซิเจนเขาจะตายทั้งเป็นแม้จะหายใจอยู่ก็ตามอืม <c oughs> น่าวตกมากว่าแต่เธอมีอะไรกับฉันเหรอไม่กลบเกลืนหรือปิดชน ะ, ะอาจารย์ เพาฉันรู้หมดแล้วว่าอาจารย์พูดคุยกระพินยังไงบ้างขณะที่เดินลงเนินกันมาก่อนจะพบทะเลสาบนี่เมื่อบ่ายนี้ขณะที่พูดหล่อนจ้องเขม็งสแตลลียิ้มจิตจืดควัคกสิบเก้าออกมาเขาบอกเธอเหรอคริสเขาก็ไม่ตั้งใจจะบอกฉันหรอกแต่ฉันคาดคันขู่บังคับเขาจงเขาต้องบอกเพราะถ้าเขาไม่บอก ฉันก็จะบังคับไปเขาแช่น้ำอยู่นั่นแหละเอาปืนยี้เขาไว้เธอก็ดูเดือดรุ่นขาเกินไปอะ่ะหัวหน้างานบอกมาเสียงอ่อยๆแต่ฉันจำเป็นค่ะอาจารย์จำเป็นจะต้องเค้นความจริงออกมาให้ได้ทำไมอาจารย์ถึงพูดกับเขาอย่างนั้นนเมื่อสิ่งที่อาจารย์พูดคุยหรือบอกเล่ากับเขานะ่ะมันไม่ได้มีความจริงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวะ คริสฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกนะนอกจากจะทำให้เขาคึกคักสนุกสนานขึ้นก็แค่นั้นคริสติน่าหัวเราะหึๆน้ําเสียงฟัง <c oughs> ดูน่ากลัวอย่างประหลาดในความรู้สึกของด็เตอร์สแตนลีย์แต่เขาไม่ได้รู้สึกคึกคักอะไรด้วยเลยนะคะฉันรู้ว่าเขาคิดมากฉันไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเอง ว่าเขารักแล้วก็ปรารถนาฉันแต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดกับเขาน่ะมันเสียแทงแสลงต่อความรู้สึกของเขาอย่างยิ่งฉันไม่ใช่คนดีวิเศษอะไรหรอกแต่เขาก็ไม่คิดว่าฉันจะเสเพลถึงขนาดนั้นถ้าเรื่องนี้เธอถือว่าเป็นความผิดของฉันฉันก็ขอโทษนะคริสขณะที่กล่าว สตนลีเอื้อมมือมาจับไหล่แม่สาวผมทองแต่หล่อนบอกปัดช้าๆฉันไม่เข้าใจนะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงได้ปั้นน้ำเป็นตัวอย่างนั้นทั้งๆที่ฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ในทางด้านนี้เลยแม้ว่าอาจารย์จะพยายามสักเพียงไหนก็ตามคริสฉันขอเน้นอีกครั้งนะว่าฉันเสียใจแล้วก็ขอโทษ คิดไม่ถึงจริงๆแล้วเขาเชื่อไหมล่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อคริสบอกมาด้วยน้ำเสียงคืนๆแต่ฉันขอร้องเขาเองและว่าให้เขาเชื่อเถอะทุกอย่างเป็นความจริงอย่างที่อาจารย์เล่าทั้งนั้นแหละแล้วแล้วแล้วเขาว่าไงละ่ะเขาแสดงท่าไม่สนใจอะไรเลยบอกว่าจใจเชื่อก็จะเชื่อ และหลังจากนั้นขณะที่เราเดินขึ้นมาจากแอ่งน้ำด้วยกันอาการอิสคิเมียก็เกิดขึ้นกับเขาคริสเขารักเธอเหรอเขาชอบฉันค่ะจันและชอบกับรักมันก็ไม่เหมือนกันหรอกขณะนั้นน่ะเขาขยะแขยงฉันที่สุดแม้ว่าจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยก็ตาม แต่ฉันก็อ่านได้ด้วยสายตานี่คือต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่สบายมากใช่ไหมคริสก็เป็นส่วนหนึ่งท่านั้นแหละนอกเหนือจากอาการไข้ใจเดิมของเขาที่มีอยู่ก่อนอย่างหนักแล้วแล้วเธอใจฉันทำยังไงอ่ะคริสฉันไม่โกลัหรือถือสาอาจารย์มีความเคารพอยู่เหมือนเดิม แต่ก็อยากจะขอร้องอะไรสักอย่างนึงเราอย่าพูดว่าเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าเลยแต่เห็นแก่งานสําคัญของเราที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็แล้วกันอ่ะงั้นว่ามาเธอจะฉันทํำยังไงก็ทําตามที่เบนแนะนําไว้นอกจากรักษาด้วยยาแล้วเราก็ต้องรักษาเขาด้วยจิตวิทยาอีกด้วยเมื่อเขาฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมา อาจารย์ก็เข้าไปพูดทําความเข้าใจกับเขาสองต่อสองไม่ต้องให้ใครได้ยินบอกเขาตามตรงว่าที่อาจารย์บอกเล่าให้เขาฟังน่ะนะแค่พูดเล่นสนุกสนุกเท่านั้นจะพูดอะไรก็ได้ให้อยู่ในความหมายนี้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องอย่าให้เขารู้ด้วยว่าเรามีการนัดแนะตกลงกันไว้ที่จะให้อาจารย์ไปพูดกับเขาอย่างนี้สตลีวางหน้าไม่สนิทนะ ตั้งแต่เป็นหัวหน้าและเป็นลูกน้องเดินป่ามาด้วยกันไม่เคยมีครั้งใดที่เขาจะรู้สึกกระดกักายคริสติน่าเท่าครั้งนี้ส่งมือไปให้หล่อนจับอะตกลงคริสฉันจะไปทำความเข้าใจกับเขาใหม่เองในเรื่องนี้จะต้องไม่เขารู้ว่าฉันมาพูดขอร้องกับจารย์ด้วยนะแน่นอนแน่นอนคริส ขอบคุณอาจารย์มากค่ะกล่าวจบคริสติน่าหันหลังกลับง่ายๆแต่สเตลลีคว้าแขนหล่อนไว้คริสเธอรักรพินเหรอฉันปฏิเสธในเรื่องความรักแต่ไม่ปฏิเสธในเรื่องความนิยมชมชอบรพินเป็นสุภาพบุรุษที่น่าเลื่อมใสามากในสายตาผู้หญิงอย่างฉัน ผู้ชายคนนี้เน่ะเป็นชายแท้ที่ฉันภูมิใจแทนคู่รักของเขาอเมริกันอาวุโสยังไม่ยอมปล่อยมือแต่บีบแน่นเคลื่อนเข้ามาชิดด้านหลังเธอเธอมีอะไรกระเชิดบุตรหรือเปล่าคริสในคืนที่ไปติดอยู่ในถ้ำด้วยกันนะคริสติน่ายิ้มมุมปากชายตาดูหัวหน้างาน ไปถามตัวเชิดบุตดีกว่าค่ะอาจารย์จะมาถามฉันทำไ ม, มเธอคงไม่รักเชิดบุตรนะฉันก็รักเขาอย่างเพื่อนร่วมตายคนหนึ่งแล้วแล้วเรื่องที่ไปติดค้างอยู่ในถ้ำระพินเขาถามด้วยสงสัยอะไรเธอไหมเขาไม่สนใจหรอกอาจารย์ฉันบอกแล้วไงว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษ ท, ที่น่านับถือมาก คริสืมว่าไงถ้างานเสร็จถ้าเราไม่ตายซะก่อนเธอจะแต่งงานกับฉันไหมคริสแม่ผมทองมองออกไปยังความมืดเบื้องหน้าซ่อนรอยยิ้มบางๆที่แม้แต่ความมืดก็ยังทายยิ้มบางๆของหล่อนไม่ถูกก็เอาไว้ถึงเวลานั้นแล้วกันอาจารย์ค่อยถามฉันไหม ทำไมจะต้องรอถึงเวลานั้นด้วยล่ะคริสก็เปิดโอกาสให้จา์เปลี่ยนใจได้ยังไงล่ะคะแล้วเราจะเป็นเพื่อนแก้เหงากันได้บ้างไหมคริสอาจจากค่ะถ้าโอกาสอำนวยคำพูดของคริสติน่าเต็มไปด้วยปริศนาและแฝงไว้ด้วยความชาญยิน สตลลีโอบกอดเอาไว้เต็มอ้อมทางด้านหลังแล้วก้มลงจูบที่แก้มคริสติน่ายืนนิ่งเมื่อเขาขยับมือทั้งสองไปที่รวงอกหล่อนแกะออกอย่างสุภาพแต่เฉียบขาดบอกเรียบเรียบว่าเรากลับไปดูคนป่วยกันเถอะค่ะอาจารย์นั่นเป็นการตัดบทอย่างง่ายๆแล้วหล่อนก็เริ่มเคลื่อนที่ เรี่ยวแรงพลังและชั้นเชิงในคอมมานโดแท็กติกของคริสทำให้ใชายสูงอายุอย่างสแตลลีไม่อาจที่จะใช้กำลังได้เขาอาจไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าจู่โจมแล้วไม่สำเร็จซ้ำย่างเจ็บตัวเพราะในค่ายฝึกก่อนออกเดินทางมาปฏิบัติงานครั้งนี้เขาเคยเห็นคริสติน่าทุ่มผู้ชายอกสามศอกคู่ซ้อมลงไปนอนหลังดอกมาแล้วกับตา ในการย่องเข้ามาล็อกตัวหลอนทางด้านหลังและเขาก็ไม่อยากเสี่ยงอย่างนั้นเขายังไม่อยากจะเสียบุคลิกของความเป็นหัวหน้าทีมงาน130ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ยังคงสภาพของการมีชีพชนอยู่หรือว่าได้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วระพินไพรวัน ไม่อาจทราบได้แต่รู้เพียงบรรยากาศรอบด้านมืดสนิทคงสว่างเรืองรองเป็นรัศมีเหมือนอาบไว้ด้วยฟอสฟอรัสทั้งกายมายืนเด่นระงานงามอยู่บนตำแหน่งหนึ่งอันสูงขึ้นไปเล็กน้อยด้านซ้ายของเขางามงามเยี่ยงเทวนาเรีแต่ดูหน้าเกรงขามเสกว่าพบเมื่อกลางวันของวันนี้เสอีก แม้ว่าริมฝีปากนั้นจะแย้มเยือนให้มงกุฎเพชรรูปหน้าคราชสองหัวที่เกียวกระวัดอยู่เหนือเสียงแลดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้พรานน้ำเสียงเยือกเย็นกอบด้วยความการุนนั้นเอ่ยขึ้นแผ่วเบาแต่กังวานเหมือนใช้ระบบเอคโคของเครื่องเสียงยุคคอมพิวเตอร์ สำนึกหรือยังว่ามฤตยูโฉบพระหัใตใกล้ดวงปราณของท่านเข้ามาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ให้ท่านปิดเอาดวงปราณของข้าไปสะเดี๋ยวนี้สิเชิญเลยเหนื่อยนายท้อแท้หมดหวังต่อชีวิต สังขารอินซีนี่เต็มทนแล้วเหรอพรานใช่ไม่คิดจะหวงเหนรักสังขารอินซีในภพภูมินี่บ้างหรือยังไงไม่แล้วคิดห่วงถึงอิสตรีนางหนึ่งอันเป็นคู่สร้างสมรวมทั้งคู่เวรกรรมมาแล้วหลายชาติหลายภพ บ้างหรือไรนางยังรักแน่วแน่แ ม, มั่นคงต่อท่านเพียงผู้เดียวนะคราวนี้เขานิ่งชะงักลดทิฐิลงทันทีน้ำเสียงอ่อนละมุนเชิงปลุกปลอบนั้นกลางวานต่อมามฤตยูปลดปลงท่านลงเมื่อใด น้าก็ไม่อาจที่จะดำรงชีพอยู่ต่อไปได้อีกแล้วเช่นกันท่านประสงค์เช่นนั้นเหรอพรานในชีพชนนี้ในสังขารอินรีนี้ข้าพระองค์ยังมีความหวังที่จะได้พบกับเธอผู้นั้นอีกเหรอข้าพระองค์ไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่อีกแล้วนี่ าเมื่อที่ยังอยู่ความหวังก็ยังมีนี่ไม่ใช่สัจธรรมแต่เป็นตักกษา์ของชาวพิภพโลกที่ตั้งกันขึ้นไว้ถ้าเช่นนั้นใจข้าทำยังไงละ่ะเทวนาเรตั้งสัจจาทิสฐานเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตเสียใหม่ ได้ไหมล่ะพรานอย่างไรพระเจ้าค่ะก็เ hey, มื่อภารกิจของท่านในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามราชธิดาแห่งบาดาลผู้มีเมตตาจิตต่อเขาเป็นพิเศษเอ่ยแช่นช้า ขอให้ท่านเลิกปานาติบาทเชียทีหยุดการพลาดผลาญชีวิตอื่นใดเพราะท่านก็ตรหนักดีว่ามันเป็นบาปเวรยิ่งนักทุกชีวิตที่ถือกำเนิดมาในพิภพโลกนี่แล้วมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโลกนี้ท่านไม่ควรจะไปเบียดเบียนเขาสัจจะนั่น ท่านรักษาได้มั่นคงแนะล้วแต่ศีลในข้อนี้สิท่านยังขาดตกบกพร่องอยู่ถึงไม่ฆ่ า, าสัตว์ตัดชีวิ ต, ตท่านก็ดำรงชีพอยู่ได้นี่มหาเทวีพระเจ้าค่ะชีวิตในอดีตที่แล้วมากระทั่งปัจจุบันนากการข้าพระองค์คือพรานป่า ข้าพระองค์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันนับไม่ถ้วนแล้วบากเวรนี้ไม่มีวันที่จะหลุดหายชำระล้างไปได้หรอกแม้ว่าต่อไปข้างหน้าข้าพระองค์จะยุติมันลงก็ตามทิวนาลีแย้มริมฝีปากเห็นไรฟัน ง, งามปานมุกประดับพรานอดีตก็คืออดีต และอนาคตก็คืออนาคตก้าวหนึ่งไปสู่สอีกก้าวหนึ่งย่อมไม่เหมือนกันท่านเกิดมาเป็นพรานเพราะกรรมเก่าเป็นตัวบันดาลสักพะสัตที่สิ้นที่ไปแล้วเพราะท่านล้วนเคยมีบาปเวรผูกพันมาในชาติปางก่อ น, อนทั้งสิ้น และต้องมาชดใช้คืนให้แก่ท่านในชาตินี้แต่บัดนี้มันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเห็นแก่สารทิขในชีวิตของท่านเองเราจึงมาให้ความจริงในเรื่องนี้แก่ท่านและชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นอรหันตสาวกของพุทธองค์บางองค์ ก็เคยได้กระทําบาปในการเบียดเบียนล้างผลาญชีวิตมาแล้วหนักยิ่งกว่าท่านเสียอีกแต่เมื่อถึงคราวแห่งการตามทวงหนี้คืนหมดสิน้นและยุติบาปชนิดนั้นลงก็ยังไปสู่ความเป็นอาราหันต์ตระได้ตัวท่านเองไม่ได้มีบุญญาบารมีใดมาส่งเสริม ถึงท่านที่จะละกิเลสในทางโลกไปถึงขั้นอราหันต์แต่ท่านก็ยังมีทางที่จะหลุดพ้นจากข่วงวิบากตามเมื่อท่านยอมยึดไปภายหลังเมื่อตามทวงนี้ที่ยิดชดชดใช้คืนได้หมดมหาเทวีพระเจ้าค่ะพระองค์ย่อมทรงทราบดีแล้ว ว่าถ้าแม้ชีวิตข้าพระองค์ยังไม่ปิดปลงลงซะก่อนภาระของข้าพระองค์ก็ยังมีอยู่และในหนทางข้างหน้าข้าพระองค์มีความจําเป็นที่จะต้องประทังชีพมีความจําเป็นที่จะต้องป้องกันชีวิตตนเองและของผู้อื่นในความรับผิดชอบข้าพระองค์จะยุติการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงได้อย่างฉับพลันได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ หัดเรียวงามข้างหนึ่งยกขึ้นบกท่านพรานเราไม่ได้หมายความว่าจะให้ท่านยุดติลงซะในทันทีนะักบัตรนี้ความจำเป็นในการประทางชีหนึ่งหนึ่งการป้องกันชีวิตของนตนเองหนึ่งหนึ่งและการป้องกันชีวิตผู้อื่นที่ท่านเห็ น, นอยู่ค า, <ข>าตาอีกหนึ่งหนึ่ง อยู่ในข้อโยงเวนเวนเพราะเมื่อท่านต้องลงมือกระทำเมื่อใดก็หมายถึงว่าท่านยังเป็นเจ้าเวรนายกรรมของสัมสักเหล่านั้นอยู่เป็นการเปิดเรื่องนี้สินลบล้างกันไปแต่เราหมายถึงว่าเมื่อภารกิจของท่านเสร็จสิ้นนั่นก็หมายถึงว่า ภารกการเกิดมาจองเวรของท่านหมดสิ้นลงแล้วขอให้ยุดดงเพียงเท่านั้นท่านจะให้สัจจะข้าเราได้หรือไม่พระราพินรู้สึกเหมือนว่าตนเองได้พนมมือขึ้นมหาเทวีพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์ขอให้สัจจาทิศสถานข้อนี้ าภารกิจเสร็จสิ้นถ้าชีพนี้ยังอยู่แม้จะอยู่อย่างยากแค้นแสนสาหัสเพียงไรข้าพระองค์จะเลิกเป็นพรานเลิกข่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิตนี้และหากพระองค์เป็นตัวแทนของยมทมูตก็ได้โปรดรับคำสัตนนว์ปฏิญาณนีวายด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ พรานเร า, เราไม่ได้เป<ม>็น<ม>ตัวแทนของยมทูตเรามาทุงท่านเยี่ยมมิมิเท่านท่าเพราะยมทูตคือมารุตย่เทศเองจะไม่มาตัดเตือนท่าน่านอย่างแยงด์ขาดนอกจากรอคอยจังหวะอยู่เท่านั้นขณะนี้ความเย็นอันเป็นสัญลักษณ์แห่งมรณการ กำลังครอบนาท่านมากว่าขึ้นกายแล้วแต่เมื่อท่านได้รับสัจ์จากแกเราแล้วเราก็จะเพิ่มความร้อนอันเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตให้แกท่านนี่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะทนได้กล่าวจบจบศรีลึกลับอันมีหน้าคราชเป็นมงกุฎสวมอยู่บนเศียรก็พนมหัตถงามทั้งคู่ขึ้น เหนือสวงอกห่อริมฝีปากมีอาการเหมือนจะเป่าลมออกมาเบาๆแล้วบัดดนก็ปรากฏเป็นลำแสงสีเขียวปราบเหมือนไฟจากท่อออกซิเจนเชื่อมเหล็กพ่นเป็นทางออกมาเปลียวแห่งรังสีนั้นพุ่งเข้ามาหมุนวนล้อมรอบกายเข้าไว้หมวนตัวเป็นเกลียวเหมือนจะลุกท่วมมันไม่มีความทรมานใดๆทั้งสิ้น มีแต่ความอบอุ่นเหมือนถูกอบอยู่ในเตาผิงหรือเครื่องฮีเตอร์ขณะที่ร่างกายเหมือนถูกหมกจมอยู่ในหิมะฉะนั้นมันเริ่มแทรกความอบอุ่นนั้นเข้าไปในกระแสเลือดที่กำลังจับเป็นก้อนแข็งของเขามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่แคลเซียมกรูคนเนต ท, ที่คริสติน่าฉีดเข้าเส้นเลือดของเขาเริ่มออกฤิ สีหยาบคือร่างกายของระพินเริ่มสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในขนาดนี้แล้วแม้ยังเต็มไปด้วยความมึนตือ้ออ่อนเพลียเหลือประมาณโสตประสาทของเขาแวววเสียงพูดจอกแจกตัวนายอุ้นขึ้นแล้วมือกับขาไม่แข็งเหมือนแต่แรกตะคริวคลายตัวฮะนายกูเห็นจะรอดแน่แล้วเว้ยสัมผัส ต, ต่อไปก็คือ รู้สึกว่าฝ่ามือและฝ่าเท้าทั้งสี่นั่นแหละแต่หนังตาหนักยังลืมไม่ขึ้นลมหายใจที่เคยติดขัดรู้สึกคล่องสะดวกขึ้นแต่ก็รู้สึกอีกเหมือนกันว่ามีอะไรครอบอยู่ที่ปากและจมกูกท่อนแขนข้างซ้ายเจ็บนิดนิดเหมือนมีเข็มแทงผ่านผิวปักคาอยู่ต่อมามีมืออุ่นๆมาแตะที่หน้าผากซอกคอ มีหูฟังมากดตามหน้าอกและลิ้นปีอยู่อึดใจใหญ่แล้วภาษาเมริกันก็ดังเบาๆว่าโอเคพ้นจุดวิกฤตแล้วหัวใจเต้นดีขึ้นเลือดเตืมเดินสะดวกแต่ยังอ่อนเพลียอยู่มากคริสหีปริมาณน้ำเกลือลงหน่อยสิรู้สึกมันจะหยดเร็วเกินไปมีการเคลื่อนไหวอยู่รอบกาย และสำเนียงของนายจ้างอเมริกันพูดพึมพำกันอยู่รอบๆจับถ้อยคำยังไม่ถนัดนะักมือของใครอีกคนมาจับคลาอยู่ที่แขนและฝ่ามือขวาของเขาเป็นมือใหญ่โตค่อนข้างสากแล้วก็เป็นเสียงต่ำห้าวจำได้ว่าคือสแตนลีย์หัวหน้าคณะโตอุ่นขึ้นมากแล้วละ่ะเกือบจะร้อนซะด้วยซ้ำเอาล่ะอย่าเพิ่งรบกวนอะไรทั้งสิ้น ลอยเขานอนนิ่งๆตามสบายก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องเอาออกซิเจนออกนะพีอาเท่าไหร่เสียงเข้มแต่เบาของคริสติน่าดังมาจากใกล้ๆแต่อยู่ตรงไหนเขาไม่รู้75ตอนหน้าต่อนาทีผู้ตอบคือหมอเบลและบีพีล่ะก็ลดลงละแต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงร้อยห้าสิบ ถึง135ยสามห้าก็ดีกว่าครั้งแรกที่พุ่งขึ้นสูงเกือบสองร้อยละระวังหน่อยนะช่วงระหว่างบนกับล่างมันใกล้กันเหลือเกินอัตราเฉลีย่ยโดยปกติของเขาเคยร2อย0ี่สิบเก้าสิบไม่เกินนี้นี่ไม่ต้องค่วงหรอกฉันจะดูแลไว้ก่อนเองนั้นเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะเสียงผู้โต้ตอบกันอย่างรวดเร็วเหล่านี้ โสดเขาเริ่มรับได้ทุกประโยคแต่ก็ยังกระดิกกระเดียตัวไม่ได้อย่ามาถามฉันนาฬิกานะ่ะไม่มีใช้ไปนานแล้วเป็นเสียงเบาๆของเชิดบุตรสามทุ่มสิบสองนาทีเสียงเห้าๆของนายคีตประกาศบอกทุกคนสามชั่วโมงเต็มเต็มที่เขาสลบไปแต่คงไม่เป็นไรละ เอาละทุกคนแยกย้ายกันไปฮะฉันจะอยู่เวนดูแลเขาเองอ่ะบุญคำจันเกิดแล้วก็เซยไปนอนได้แล้วไม่ต้องนวดอีกแ ล, ะละ้วพอละรับรองเจ้านายกระดูกเหล็กของพวกเธอไม่ตายหรอกไม่ต้องวิตกเป็นคำสั่งอย่างเอางานเอาการของอิสเบลเสียงอ่อยของบุญคาก็ดังอุบกิบขึ้นมาว่า แล้วนี่นายจะฟืน้นรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไรละนี่ประเดี๋ยวก็คงรู้สึกตัวเองนั่นแหละแล้วพุ่งนี้เราจะหายไหมจะต้องต่อสายเติมน้ํามันอีกไหมหมอแมมจันถามขึ้นมาบ้างมีเสียงหัวเราะ <c oughs> ไอ้พุ่งนี้จะหายหรือไม่ฟ้าดินเท่านั้นแหละที่จะบอกได้แต่สําหรับชั้นในฐานะหมอก็บอกได้ว่า พรุ่งนี้เขาจะดีกว่าคืนนี้ไละเรื่องเติมน้ำมันก็เหมือนกันถ้าเขายังไม่แข็งแรงดีก็ต้องเติมมันต่อไปล่ะรักษาให้ดีๆนะแห ม, มเบลนายราพินเป็นอะไรไปสักคนเดียวอะพวกของบุญคำพาพวกไหนแห ม, มต่อไปไม่ได้หรอกเถนไะไบสักทีได้แล้วล่ะทั้งสี่คนนั่นแหละบ่นช่จริงเชะวเจ้านายพวกเรานะ่ยดื้อรั้นมากรู้ไหม ฉ้นห้ามแล้วเขาก็ไม่เชื่อถึงได้หนักลงในครั้งนี้แต่ตอนนี้อาการของเขาก็ดีขึ้นมามากแล้วล่ะหามร้องแรงกันขึ้นมาเมื่อตอนหัวค่เช่นกันนึกว่าเสร็จเน้่เหมือนกันโชคดีเท่าไราที่ยังหายใจอยู่ตอนเนี้ยเสียงเบรดูพวกนั้นเบาๆเฮ้นายกูมาคราวนี้เคราะห์ร้ายสารพัดไอ้ที่ไม่เคยเป็นก็ดันมาเป็นขึ้นมา ไอที่ไม่เคยพลาดก็พลาดเฮ้อไม่น่ามาเสียชีวิตเลยนายอ่อนแอลงไปมากเดินป่าคราวนี้ทำใจดีๆไว้เถอะบุญคำรับรองว่าถ้าพวกฉันยังอยู่ยังไงยังไงนายของบุญคำก็ไม่เป็นอะไรหรอกในด้านโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าช้างเหยียบเสือขบหัวหรือว่าตกเขาตกเขียวลงไปเองน่ ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคริสติน่าบอกกับคนเหล่านั้นด้วยเสียงเรียบปกติโอ้ยนายแมมช้างเหยียบเสือขบหัวหรือตกเขาตกเหวนะ่ะมันเรื่องขี่ผงนายของบุญคำน่ะเอาตัวรอดได้สบายมากแต่ไอเรื่องโรคไัยไข้เจ็บนี่ลทิ่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้เอา่าว่าช่วยกันตัวเป็นเกลียวอยู่แล้วนี่ไงเอตันนี่บอกว้ไปนอนพัก ได้แล้วเสียงคริสติน่าเฉียบขาดขึ้นอย่างฉุนฉุนตะบะของหล่อนเหนือกว่าทุกคนในคณะบุญคำซึ่งจัดว่าแกนกะโลกไม่เคยกลัวใครก็ยังต้องหุบปากเงียบเพราะรู้ดีว่าชีวิตของนายฝากไว้กับวิชาการแพทย์ของนายฝรั่งทั้งหลาย <c oughs> สกิดชวนลูกน้องอีกสามคนเลี่ยงถอยห่างออกไปภายหลังจากนั่งเฝ้ากันอยู่ตลอดเวลา พอห่างพวกนั้นแกก็ขบฟันพูดให้กูเป็นนายซะหน่อยไม่ได้เพราะจะล่อใช่หมดนายหญิงก็เหมือนกันไม่รู้ปานนี้ไปอยู่ที่ไหนกูชักโกรธนายหญิงแล้วนะเนี่ยไม่รู้จะตามมาสทัทีหรือว่าจะทิ้งนายของพวกเราตัดหางปล่อยวัดเอ้ยปล่อยปาไปซะแล้วแหมลุงหุบปากซะทีเถอะพูดอะไรไม่เป็นมงคลเลย เกิดและเสยเจ้าพรานเด็กหนุ่มสองคนทนรำคาญไม่ไหวร้องออกมาพร้อมกันจากเท้าจึงยอมเงียบไปแต่ก็ไม่ไหวจุปากจุกจักจุกจักหัดอกขัดใจสารพัดแล้วเปลือตาของรัหินก็ค่อยๆเปิดขึ้นสิ่งแรกที่เห็นบนปลายจมูกของตนเองคือฝาพลาสติกใสครอบออกซิเจนจุดที่สองคือเสาน้าเกลือ ต่อสายโยงเข้าแขนความสลัวของสถานที่เกิดจากกองไฟที่ก่อไว้โดยรอบและตะเกียงนีออนใช้แบตเตอรี่แห้งดวงเล็กๆซึ่งบัดนี้สวิตไม่ได้เปิดแม่ผมแดงนั่งเอาหลังพิงกองสัมภาระมองดูเขาอยู่ใกล้ๆเพียงคนเดียวนอกนั้นมองไม่เห็นว่าหายไปไหนกันหมดระพินยกมืออันอ่อนล้าไม่มีแรง หยิบฝาครอบออกซิเจนออกจากปากและจมูกหล่อนจึงขยับตัวไปปิดวาล์วออกซิเจนเพราะเอื้อมมือไปคลาแขนซ้ายที่มีเข็มน้ำเกลือปิดทับด้วยพลาสเตอร์หล่อนก็คว้าข้อมือไว้ <c oughs> นี่คุณควรจะรู้ตัวดีแล้วไม่ใช่เหรอว่าตกอยู่ในสภาพไหนอย่าดึงสายน้ำเกลือออกนะถ้ายังไม่อยากตายกระแสะเสียงของหล่อนอ่อนโยน ระพิ น, นิ่ลืมตาเหม่อลอยอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนคิดช่างกำลังตนเองแล้วก็บอกได้ทันทีว่าแม้จะพงกศสีสษะขึ้นก็แสนยากตอนนี้เสียงถามต่อมาว่า <c oughs> เป็นไงคุณหายใจสะดวกขึ้นดีแล้วเหรอเขาไปยักหน้านิดหนึ่งตอนนี้รู้สึกเก็บแน่นที่หน้าอกบ้างหรือเปล่าละ่ะ แทนคำตอบระพินสันหน้านิดหนึ่งรู้สึกหนาวเย็นตามมือและเท้าอีกไหมคุณคนเจ็บสันหน้าอีกขอสอบประวัติอาการเก็บป่วยของคุณหน่อยนะไม่ต้องตอบเป็นคำพูดถ้าใช่ก็แค่พยักหน้าถ้าไม่ใช่ก็สันหน้าก็เป็นคำถามสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆแหละ บุคคลสําคัญที่สุดในคณะซึ่งบัด น, นี้กลายเป็นคนเจ็บอีกครั้งใช้ภาษาบ่ายอยู่เช่นเดิมเคยฉันอยากรู้ว่านอกจากอาการไข้ามาลาเรียเคยมีอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นบ้างไหมเอาเป็นว่าเว้นปวดหัวตัวร้อนหรือไข้หวัดธรรมดานะคุณโน no. คราวนี้เสียงแหบๆผ่านริมฝีปากของเขาออกมา เบนยิ้มออกมานิดนึงก็มลงมาใกล้แล้วอาการของตะคริวกล้ามเนื้อบางส่วนเกรงมึนสีสษะอย่างแรงจนหมดสติล่ะเคยมีไหม no เวลาเดินหรือทำงานเหนื่อยมากๆแล้วล้มฟุบหมดสติไปเฉยๆล่ะเคยมีไหม no โรคขาดออกซิเจน หายใจไม่ออกในบางขณะละคุณโน no. ลมบ้าหมูลมชักกระตุกบางครั้งละ่ะเคยมีไหมโน no. อาการที่คุณปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยเคยมีทางด้านบรรพบุรุษของคุณบ้างไหมเท่าที่คุณรู้อะถ้าเท่าที่รู้ไม่เคยมีอะ ระพินเริ่มพูดออกมาเป็นประโยคแรกด้วยเสียงแหบแห้งเบนจับสำเนียงรู้สึกว่ามันแม้มันจะแตกพร่าแผ่วเบาแต่ภาษาเมริกันก็ยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิม <c oughs> นี่คุณอย่าถือว่าเป็นการละลาบละลวงนะถ้าคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าไหร่ <c oughs> ก็จะทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคและหาทางบำบัดเยียวยาได้สะดวกขึ้นเท่านั้น ถทาที่เราทราบนี่คุณพ่อคุณเสียชีวิตไปแล้วถูกต้องไหม yes นั้นสาเหตุการเสียชีวิตน่ะแล้วอายุของท่านขณะ ท, ที่ท่านถึงแก่กรรมละ่ะ <c oughs> ก็มาลาเรียขณะเสียก็อายุ72ปีเบลพยักหน้าชา้าๆแล้วคุณแม่คุณละ่ะ ซาวายังมีชีวิตอยู่แต่สุขภาพไม่ดีนักท่านเป็นอะไรก็โรคชราโรคประสาทมีอาการเบาหวานเล็กน้อยแล้วก็ความดันต่ำทีนี้ว่าถึงตัวคุณเองด้วยชีวิตปกติถ้าไม่ออกปานี่คุณดื่มจัดไหมไม่แต่บุรีค่อนข้างจัด ประมาณสักวละกี่ซองล่ะก็เอาแน่ไม่ได้ถ้าปกติซองเดียวอาจไม่หมดถ้าประสาท ต, ตึงเครียดก็อาจจะถึงสองซองแล้วคุณพักผ่อนวละกี่ชั่วโมงถ้าไม่ออกป่านะี่ะก็หกถึงแปดชั่วโมงแล้วแต่เหตุการณ์นอกจากเหตุการณ์เหรอหมายความว่าไงคุณ ก็ถ้ากลุ้มมีกังวลก็นอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับถ้าสบายใจก็นอนได้นานหน่อยแล้วคุณกลุ้มกังวลบ่อยไหมล่ะค่อนข้างบ่อยคุณติดยาอะไรเป็นประจำมั่งนอกจากควินินก็แอสไพรินกับประเภท t r a n q u i เ i z e r บางชนิด บอกชื่อของผู้ผลิตหรือชื่อตราสินค้าได้ไหมไอ้ที่ว่า Transquilizer นะ่ะ <c oughs> คนเจ็บอึ้องไปครู่มองดูท้องฟ้าดำสนิทเบื้องบนเขารู้สึกเหมือนแพทย์สอบประวัติในโรงพยาบาลผมก็ไม่อยากจะใช้ยี่ห้อไหนเป็นประจำเละนะกลัวติด ก, ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีพวก Limbital เมมโปรดอาพินแวลเลียมทิปตันอลซานแนกกระสารพัตราของผู้ผลิตจำไม่ได้แต่ก็พยายามไม่ให้เกิน5มินหมอเบนจุปากเบาเบเบิกตาโตมองดูหน้าเขาหลายชนิดเป็นยาประเภทแก้ซึมเศร้านะคุณแล้วก็เป็นยาบังคับประสาทค่อนข้างแรงชนิดที่เขาให้พวก โรคประสาทหรือคนคลุ้มคลั่งเสียสติกินนี่ใครเป็นคนแนะนำให้คุณกินยาประเภทนี้ก็หมอที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเขาจ่ายมาให้เป็นครั้งครั้งเท่านั้นเวลาไปปรึกษาเพราะนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทแต่เขาก็ไม่ได้ให้ไว้ใช้ประจำนะผมจำชื่อยาไว้แล้วก็แอบไปซื้อกินรักษาตัวเองโอ้ไมคุณเนท นานเท่าไหร่แล้วนี่ที่คุณแอบไปใช้ยาประเภทนี้ด้วยตัวเองโดยหมอไม่ได้สั่งอะระพินอึ้องไปครู่หลับตาลง <c oughs> ก็ก็หลังจากกลับจากเทือเขาพระศิวะคราวนั้นนี่คุณคิดว่าฉันเป็นหมอที่พยายามจะรักษาคุณแล้วคุณเป็นคนไข้นะขอทำความเข้าใจอีกครั้งเด้อ รัพินพยักหน้าต้องไม่ฉุนเฉียวโกรธหรือไม่พอใจในสิ่งที่ฉันจะขอถามไปเรื่อยๆนะนี่ถ้าตอบได้ก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบตกลงไหมคุณผมเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยเบลรัพินพึมพำถามอาการของตนเอง <c oughs> เดี๋ยวสิเดี๋ยวจะบอกให้ จะต้องตอบคำถามฉันในกระจ่างแจ้งซะก่อนไม่งั้นฉันอาจวิเคราะห์โรคหรือสาเหตุไม่ถูกตกลงอย่างคนป่วยเขาตอบรับอย่างจำนนซึมเศร้าดูน่าสงสารผิดไปกว่าระพินคนเดิมมากนี่ระพินฟังให้ดีนะหลังจากคุณกลับจากเทือพระศิวะเอาคนหายสาบสูญกลับคืนมาได้สำเร็จ ฝ่ายนายจ้างของคุณก็แยกย้ายกันไปเพราะพวกเขาหมดภาระหน้าที่กับคุณแล้วนี่ใช่ไหมใช่แล้วคู่รักหรือผู้หญิงคนที่คุณรักรวมทั้งคิดว่าเธอก็รักคุณก็ได้แยกจากไปด้วยเอาละขอทราบว่าระยะหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณกับเธอมีการไปมาหาสู่พบปะกันบ่อยครั้งไหม สุภาพบุรุษไพรยังคงหลับตาอยู่เช่นนั้นอย่างอ่อนเพลียตอบมาเสียงแผ่วๆว่าก็เคยแค่ติดต่อกันทางจดหมายนานๆครั้งเท่านั้นแหละคุณก็ยังอยู่ที่หนองน้ำแห้งตามเดิมในฐานะอาชีพเดิมบุก ป, ป่าฝ่าดงไปตามเรื่องส่วนผู้หญิงคนที่คุณรักก็แยกตัวไปตามทิศทางของเธอยังงั้นเหรอ แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะระพินระพินสันศีสังผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วอะไรที่ทำให้คุณแน่ใจว่าเธอยังรักและมั่นคงต่อคุณอยู่คนป่วยไม่ตอบแต่ชี้ไปที่สมองและสวงอกอันเป็นตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจตนเองเบลพยักหน้าช้าๆถามต่อมาว่า เอาละแปลว่าคุณมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ซึ่งความมั่นใจนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะรู้ได้ดีไปกว่าตัวคุณเอง <c oughs> เพราะมันเป็นอำนาจจิตพิเศษเฉพาะตัวเบลคุณจะด่าว่าผมหลงตัวสำคัญผิดก็ได้นะรับพินสอดมาเบาๆเบลสายหน้า ไม่หรอกระพินฉันไม่ดูหมิ่นความคิดความเชื่อของคุณถึงขนาดนั้นหรอกมันอาจจะมีสิ่งบอกเหตุยืนยันให้คุณมีความเชื่อเช่นนั้นก็ได้ซึ่งมันก็ลึกซึ้งเกินกว่าที่คุณจะบอกให้ฉันฟังได้เอาล่ะคุณไม่พบกับเธออีกเลยหลังจากแยกกันคราวนั้นแล้วยังงั้นเหรอพบพบครั้งเดียว โดยไม่คิดฝันเ <c oughs> มื่อไหร่ล่ะแล้วพบมันแบบไหนไล่ฟังได้ไหมก็เธอก็มาเยี่ยมผมจนถึงน้องน้ำแห้งอะ่ะมาโดยผมไม่รู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็พักอยู่ด้วยกันคืนขอคำมั่นสัญญาว่าขอให้ผมไปงานวันเกิดเธออีกทักเจ็ดวันข้างหน้าผมก็รับปากกับเธอแล้วก็ตั้งใจว่าจะไป แต่ผู้ริจจบเดิก็พอวันรุ่งขึ้นพวกคุณก็มาแทกแซงซะก่อนไงโอ้เสียใจมากนะในข้อ น, นี้อะ <c oughs> <c oughs> เบงคลางออกมาจากใจจริงขยี่ปลายจมูกแล้วเอื้อมือไปลูบแผวเบ า, บาบนช่วงอกเข้ามันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ห้ามันไม่ได้หรอกคุณเชื่อใช่ไหมระพินพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแยกคุณกับคนรักใช่ผมเข้าใจครับคุณก็เริ่มโกรธแล้วก็เกลียดพวกเรามาตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้จิตประสงค์แล้อสิเบลครับผมพยายามระ ง, งับและในที่สุดผมก็ทำใจได้นะ แล้วก็คิดอย่างที่คุณพูดเมือเ่อกี้คือคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทัศนคติของพวกเราเรียกสิ่งนั้นว่าพรหมลิขิตแล้ววิบากตำ่ำอะงั้นขอถามต่อนะย้อนกลับมาณนะวันที่เธอได้พบกับคุณที่หนองน้ำแห้งทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องความรักดสดใสราบรื่นดีหรือเปล่า ดีครับดีมากที่สุดด้วยคุณเคยขอแต่งงานกับเธอไหมไม่เคยครับทำไมขอไม่ตอบในข้อนี้ครับแล้วเธอล่ะมีทีท่าว่าจะยอมร่วมชีวิตกับคุณไหมรบพินพยักหน้าใช่ครับเธอรัก แล้วก็ต้องการผมครับอีกคำถามนะระพินแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คุณไม่เป็นฝ่ายขอแต่งงานกับเธอแล้วก็แยกกันอยู่ล่วงเลยมาเป็นเวลานานทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรแต่กลายเป็นว่าคุณนะ่อยู่ตามประษาของคุณเธอก็ยังคงดำเนินชีวิตไปตามฐา น, นะของเธอเอง เราสัญญากันแล้วนะระพินว่าคุณต้องไม่โกรธเมื่อถูกถามแล้วก็มีสิทธิ์ไม่ตอบก็ได้ถ้าไม่ต้องการตอบ